มีหนังสือสวมดมนต์เล่มเล็กๆมาเล่มหนึ่งได้ให้นสือม า, ากลับมาบ้านมานั่งสวดนะแล้วก็นั่งสมาธินั่งมาทุกวันนะไม่เลิอกอกบางวันเป็นเด็กนักเรียนปถมนะอยู่โรงเรียนวัดพระปราชัยสมัยนั้นบทก็ใกล้จะพังละวัเป็นบทเก่ามากเลยพระประธานก็เป็นปูนนะเปื่อยๆทั้งวงเลย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 เข้าใจถูกอะไรเข้าใจถูกในเรื ultimate, ่องทุกว่าอะไรเป็นทุกหน้าท <sm> ี่ต่อทุกเป็นยังไงเข้าใจถูกในเรื่องสมุทัยว่าอะไรคือสมุททยหน้าที่ต่อสมุทัยเป็นยังไงเข้าใจถูกในเรื่องนิโรธแล้วก็รู้กิจต่อนิโรธเข้าใจถูกในเรื่องมรรคทางดาเนินแล้วรู้กิจต่อมรรคเนี่ยตัวสมาทิฏิรู้พวกนี้ รูไปรู้ไปนะตามรู้ตามดูไปก็เข้าใจปฏิจจสมุ ป, ปบาทะครัเข้าใจปฏิจจสมุ ป, ปบาทใครเข้าใจปฏิจจสมุ ป, ปบาทบ้างยกมือหนักสินี้ไหมสอนมาตั้งหลายปีไม่เข้าใจเลยหอ <c oughs> รอพระโสดาบันเนะข้าใจปฏิจจสมุ ป, ปบาทแต่เข้าใจไม่แจ้งหรอกไม่แจ้งไปแจ้งท่อนท้ายท่อนต้นๆยังไม่แจ้ง ตรงอวิชชาปัจจะยาสังขาราอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารสังขาราปัจจะวิญยาณังสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณวิญญาณปัจจะยานามรูปรังวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปตัวนี้ยังไม่ค่อยแจ้งจะแจ้งตั้งแต่มีนามรูปแล้วขนะองเราตอนนี้มีนามรูปมาแล้วมีนามรูปมาแล้วก็มีอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจ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 เป็นอุปทานพามีอุปทานกว้ารมมาได้คว่ารูปกว้านามมาได้ด้วยนะใจก็ดิน้นความดิ้นของใจนี่เรียกว่าพบพอใจมันดิ้นรนทางานนั้มันจะรู้สึกมีตัวกูขึ้นมาลมีตัวเราของเรานะหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเป็นตัวเราของเราความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าชาติความเกิด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 วิชาก็คือความรู้แจ้งอริยสัจเราพอนาไปนะจิตมันก็ปรุงแต่งสร้างภบสร้างชาติไปด้วยปรุงภบที่ดีว่างสว่างบริสุทธิ์รู้สึกดีดีความจริงไม่บริสุทธิ์เรงโง่จิตไปปรุงภบที่ละเอียดที่ประณีตขึ้นมาเราก็พอใจอยู่ในภบที่ละเอียดที่ประณีตมองไม่ออกนะว่ามันเป็นตัวทุกข์ยังไงปัญญาเราไม่พอ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 อาต่อไปไปทานข้าวได้นิมนต์เลยครับนิมนต์